จึงทําให้มันลืมหน้าที่ไปชั่วคราวนี่คือจุดอ่อนของสุนัขท่านายซึ่งเจ้าของสุนัขเป็นเพียงคนรับจ้างเฝ้าบ้านเท่านั้นมิใช่เจ้าของบ้านและเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงและเขาได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์สมบัติที่เขโมยไปเขาจะพอใจหรือไม่เรื่องนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความสํานึกในหน้าที่ของเขามีมากน้อยเพียงใด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 เป็นคนมีบุญวาสนาเสมอคนต่ำต้อยและคนทำอะไรไม่สำเร็จตั้งหากเล่าที่เป็นคนบาปพระเทวทัตพูดทิ้งไว้เท่านี้และถวายพระพรลาปล่อยให้น้ำคำเข้าแทรกซึมเข้าไปสู่ห้วงอาทาัยของพระราชกุมารเองแล้วก็เป็นเช่นนั้นพระราชกุมารทรงดำริตริตรองอย่างลึกซึ้งหนักหน่วง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 มนุษย์เรามีความรู้สึกชั่วร้ายแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในดวงใจประจำอยู่แล้วคอยแต่สิ่งเราที่จะมาเร่งร้าให้ผุดโผลขึ้นมาเมื่อใดเท่านั้นพระชุกมุมารประทับยืนรับลมอยู่ณช่องพระกแกลท่วากอนจวนจะลับขอบฟ้าด้านตะวันตกอยู่แล้วลมโชยเพียงแผ่มาต้องพระวรกายชุ่มชื่นแต่พระไทยของพระจุกมุมาร